เรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลที่เล่าต่อๆกันมาทางเราไม่ได้มีเจตนาจะทำลายชื่อเสียงของร้านค้าของมือสองใดๆเพียงเพื่อต้องการจะถ่ายทอดเรื่องราวความลี้ลับที่มีอยู่มากมายตามสถานที่ต่างๆทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้คนทั่วไปได้มีโอกาสสัมผัสรับรู้ประสบการณ์ที่แตกต่าง และสร้างความบันเทิงเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นของใหม่หรือของมือสองถ้าหากมันถูกตาต้องใจของเราแล้วละก็มันก็อดใจห้ามไว้ไม่ให้ซื้อของสิ่งนั้นได้ยากโดยเฉพาะของมือสองที่มีราคาถูกกว่าของใหม่ค่อนข้างมากจนทําให้บางครั้งเราลืมนึกไปว่าของสิ่งนั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเป็นของใคร ผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างทําไมถึงมาวางขายอยู่หน้าที่แห่งนี้ส่วนใครที่เป็นสาวกของมือสองก็ระวังตัวกันไว้ด้วยนะเพราะไม่แน่วันหนึ่งคุณอาจจะเจอเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเองเหมือนอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้ก็เป็นได้เรื่องที่หนึ่งเสื้อมือสอง เรื่องนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วเป็นประสบการณ์จากการซื้อเสื้อมือสองที่คุณป้าซื้อมาฝากโดยปกติแอนก็จะเป็นคนที่ชอบซื้อของมือสองมาใช้อยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหรือรองเท้าและคุณป้าก็เป็นคนที่ชอบซื้อเสื้อผ้ามือสองเหมือนกันส่วนมากก็จะเลือกแต่ชุดที่อยู่ในสภาพดีๆหน่อยและเสื้อตัวนี้ ก็เป็นหนึ่งในนั้นคุณป้าซื้อมาเป็นเสื้อคอวีที่เป็นผ้าที่ค่อนข้างใส่สบายเนื้อผ้าเป็นผ้ายืดสีขาวเสื้อใส่สบายแม้ในที่ที่มีอากาศร้อนเมื่อแอนได้เสื้อตัวนี้มาก็ยังไม่ได้เอามาใส่แต่นำไปแขวนเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าหลังจากที่ป้าซื้อมาให้ก็เก็บไว้ประมาณหลายเดือนจนวันหนึ่งที่คิดอยากจะไปเที่ยว แล้วนึกขึ้นได้ว่ามีเสื้อตัวนี้อยู่ในตู้ก็เลยพับเอาเสื้อตัวนี้แพ็กใส่กระเป๋าไปด้วยแพ็กของจัดเสื้อผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกสองวันก็ถึงเวลาที่จะต้องออกเดินทางกันและในคืนนั้นเองเรื่องก็เกิดขึ้นเมื่อคุณแม่ของแอนฝันว่าได้ไปที่ไหนสักแห่งและกําลังเดินอยู่รู้สึกเหมือนกับว่า มีคนกำลังเดินตามมาด้านหลังแม่ก็เลยเร่งฝีเท้าเดินให้เร็วแต่ยิ่งเดินเร็วขึ้นเท่าไหร่คนคนนั้นก็ยังเดินตามมาติดติดแม่เลยตัดสินใจหันกลับไปมองทั้งทั้งที่เดินอยู่ว่าเป็นใครแล้วสิ่งที่แม่ได้เห็นนั้นก็คือผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างผอมสูงหน้าตาขาวซีดกำลังพยายามเดินตามแม่มาอย่างติดติ แม่เองก็รีบเร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นอีกจนแทบจะเหมือนกับวิ่งแม่บอกว่าในฝันตอนนั้นแม่เหนื่อยเอามากๆเพราะยิ่งเดินเท่าไหร่ผู้หญิงคนนั้นก็เดินตามมาทันทุกทีจนในที่สุดแม่เหนื่อยมากจนเดินต่อไปไม่ไหวแล้วก็เลยหยุดแล้วหันกลับไปถามผู้หญิงคนนั้นว่าเดินตามฉันมาทำไม ผู้หญิงคนนั้นก็เลยตอบด้วยหน้าตาที่โมโหแล้วก็ชี้ไปที่มือของแม่ตอนนั้นแม่บอกว่าแมมองไปตามที่ผู้หญิงคนนั้นชี้นั่นก็คือที่มือปรากฏว่าในมือของแม่มีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งแล้วผู้หญิงคนนั้นก็พูดว่าเอาเสื้อคืนมานี่มันเสื้อของฉันจากนั้นแม่ก็สะดุ้งตื่น เสื้อตัวนี้แอนไม่เคยบอกแม่และแม่ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่พอแม่บอกลักษณะของเสื้อที่เห็นในฝันแล้วแอนก็เลยเปิดกระเป๋าเดินทางหยิบเสื้อตัวนี้มาให้แม่ดูพอแม่เห็นปุ๊บแม่ก็พูดอะไรไม่ออกได้แต่เงียบสักพักแม่ก็พูดขึ้นมาว่าใช่เลยเท่านั้นแหละแอนแทบจะร้องไห้ ไม่นึกมาก่อนว่ามันจะเกิดเรื่องราวอะไรแบบนี้ขึ้นเพราะว่าตั้งแต่ได้เสื้อตัวนี้มาก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยแต่พอจะนำเสื้อไปใส่เท่านั้นแหละก็มีเจ้าของมาทวงมันอาจจะเป็นของรักของห่วงของเขาก็ได้ไม่อยากที่จะให้ใครเอามาใส่ทุกครั้งที่แม่เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง แอนกับแม่ก็จะรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันทีแม่มักเน้นคำพูดว่าผู้หญิงคนนั้นหน้าตาเขาดูโกรธมากหลังจากนั้นแอนก็เลยนำเสื้อตัวนี้ไปฝากไว้ที่เสียนสื่อซึ่งเป็นลักษณะของศาลเจ้าที่พวกพี่พี่มูลนิธิเขามักจะไปประจำกันอยู่โดยฝากเขาให้ช่วยทำพิธีเผาให้หน่อยเพราะช่วงนั้น เป็นช่วงที่เขากำลังทำพิธีล้างป่าช้ากันอยู่พอดีหลังจากนั้นแอนกับแม่ก็ไม่เจอเหตุการณ์หรือฝันอะไรแปลกๆอีกเลยเรื่องที่สองรองเท้ามือสองมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อประพันธ์เพื่อนๆมักจะเรียกเขาว่าพันเขานั้นชอบซื้อของมือสองไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้า หรือของสะสมเก่าๆสิ่งของมือสองต่างๆซึ่งพันก็ซื้อมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วและไม่เคยที่จะเชื่อในเรื่องผีๆเขาเป็นคนชอบพิสูจน์ความจริงมากกว่าการจินตนาการไปเองเรียกง่ายๆว่าเขาไม่เชื่อเรื่องผีมาก่อนและไม่เคยมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในชีวิตเขาเลยสักครั้งมีอยู่วันหนึ่งเขาได้ไปแวะดูรองเท้า ที่ร้านขายรองเท้ามือสองร้านหนึ่งแล้วไปเจอรองเท้าผ้าใบสีขาวคู่หนึ่งก็รู้สึกถูกใจในทันทีจากนั้นพันก็ลองมาสวมดูซึ่งมันสวมใส่ได้พอดีเลยสภาพก็ยังดีอีกด้วยแถมยี่ห้อก็ดีอีกต่างหากเขารู้สึกว่ามันช่างโชคดีเสียจริงๆได้ของดีราคาถูกพันเลยรีบควักกระเป๋าซื้อรองเท้ามาในราคา200กว่าบาท หลังจากที่เขาได้รองเท้ามาใส่ก็ใช้งานเล่นกีฬาทุกวันซะจนคุ้มค่าจนมีคราบสีน้ำตาลออกมาจากด้านข้างของรองเท้าเขาก็คิดว่าเพราะมันเก่าแล้วและใช้งานมานานมากเกินไปก็ไม่คิดอะไรจนเขาเริ่มเจ็บเท้าตรงเอ็นร้อยหวายก็คิดว่าเขาคงจะเล่นกีฬาบ่อยไปแต่มันก็เจ็บมากขึ้นเรื่อยๆ จนสุดท้ายต้องไปหาหมอแล้วหมอก็บอกเขาว่ามันเป็นแค่เส้นเอ็นอักเสบหลังจากนั้นหันจึงหยุดเล่นกีฬาเพราะรู้สึกเจ็บมากจนบางวันลุกจากเตียงแทบไม่ได้เย็นวันหนึ่งขณะที่เขาเดินกลับหอพักเวลานั้นก็ใกล้ที่จะมืดแล้วเขาได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อกีฬาท่าทางดูเซ่อเซ่ ลักษณะเหมือนคนขาเจ็บอยู่ที่บริเวณบันไดระหว่างชั้นหนึ่งไปชั้นสองและวันต่ อ, ตอมาเขาก็เห็นผู้ชายคนนั้นอยู่เรื่อยๆจนเขาเริ่มสงสัยว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงชอบมายืนอยู่ตรงนี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่คิดอะไรมากแต่ก็อดสงสัยไม่ได้วันเวลาผ่านไปไม่นานเมื่อการที่เท้าของพันเริ่มดีขึ้น เขาก็กลับมาใส่รองเท้าเล่นกีฬาอีกครั้งรองเท้าที่เขาใส่เริ่มมีสภาพแย่พื้นรองเท้าหลุดออกเล็กน้อยเขาจึงไปซื้อกาวมาซ่อมแต่เมื่อเขาเปิดพื้นรองเท้าออกดูเพื่อทำความสะอาดก่อนที่จะใส่กาวปรากฏว่าเจอเล็บเท้าคนอยู่ในพื้นรองเท้านั้นลักษณะเหมือนเล็บนิ้วโป้งที่หลุดออกเป็นแผ่นเมื่อพันได้เห็นสิ่งนั้น แทนที่เขาจะนำรองเท้าไปทิง้งกลับตรงกันข้ามเขานำมันมาใส่ต่อเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งได้เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ทาให้เขาต้องฉุกคิดว่าสิ่งเล้นลับที่เขาไม่เคยเชื่อเลยนั้นมันอาจมีอยู่จริงและทำให้เขาผวาทุกครั้งที่นึกถึงมันพันทํางานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และเขามักจะกลับดึกบ่อยๆ โดยจะเดินทางกลับหอพักด้วยมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่เสมอซึ่งคนขี่ก็เป็นลุงที่ใช้บริการกันอยู่เป็นประจำตอนที่เขาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์อยู่นั้นเขาได้ยินเสียงเหมือนกับคนวิ่งเหนื่อยหอบอยู่ใกล้ๆหูทั้งๆ ท, ที่เขาซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่กำลังวิ่งอยู่ด้วยความเร็วจนรถค่อยๆชะลอลงเขาก็ได้ยินเสียง <S <S> ใกล้หูเขาเต็มเต็ม หันหันกลับไปดูตามทิศทางของเสียงนั้นสิ่งที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือผู้ชายที่เขามักจะเจอบริเวณบันไดของหอพักยืนจ่ออยู่ตรงหน้าในสภาพหอบเหนื่อยและขาหายไปข้างหนึ่งเพียงเสี้ยววินาทีผู้ชายคนนั้นก็หายวับไปกับตาเขาชอ็อกมากจากสิ่งที่เห็นจนไม่สามารถจะลงจากรถมอเตอร์ไซค์ได้ แต่ลุงที่เป็นคนขี่กับไม่เห็นหรือรู้สึกผิดปกติอะไรสักอย่างหันรีบกลับเข้าห้องแล้วมานั่งคิดถึงสาเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งเขาก็ตัดสินใจได้ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับรองเท้ามือสองคู่โปรดคู่นี้ที่เขาซื้อมาเขาจึงตัดสินใจเอารองเท้าไปทิ้งโดยนํามันไปวางไว้ที่พักขยะหน้าห้อง แล้วกลับเข้าห้องหลังจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรแปลกประหลาดเกิดขึ้นอีกสักพักเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าหรือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาจะคิดไปเองโดยความเสียดายรองเท้าคู่โปรดที่เขามักจะใส่มันเป็นประจำเขาจึงตัดสินใจกลับไปเอารองเท้าคู่นั้นอีกครั้งแต่ปรากฏว่ารองเท้าคู่นั้นมันหายไปแล้ว หลังจากนั้นไม่กี่วันเขาซ้อนมอเตอร์ไซค์ลุงคนเดิมในจังหวัดให้เลี้ยวใกล้จะถึงหอพักปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นกลับมาอีกแล้วยืนรอเขาอยู่ในสภาพไม่มีขาถือรองเท้าอยู่ข้างหนึ่งและเขาก็เห็นเพียงคนเดียวเขารีบบอกให้ลุงจอดและเดินกลับไปที่ห้องอย่างรวดเร็วพอเหลือไปมองที่กองขยะก็เจอรองเท้าคู่นั้น กลับมาวางอยู่ที่เดิมเขาตัดสินใจเอารองเท้ากลับมาเอามีดค่อยๆกรีดรองเท้าอย่างบรรจงเพื่อไม่ให้ใครเอาไปใส่ได้อีกจากนั้นนำไปลอยแม่น้าแล้วก็ไปวัดทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กับผู้ชายคนนั้นจู่ๆพระก็มาทักว่าที่เขาเจ็บป่วยเพราะว่าเขาทำบาปไว้หันได้นึกขึ้นว่าเพราะอะไร ที่เขาเจ็บเอ็นร้อยหวายมันถึงไม่หายสักทีเขากลับไปหาหมออีกครั้งปรากฏว่าเอ็นร้อยหวายที่อักเสบธรรมดากลับกลายเป็นกระดูกงอกออกมาเหมือนกับตีนไก่ซึ่งมันเริ่มเป็นตั้งแต่ตอนที่เขาซื้อรองเท้าคู่นี้มาอาการกระดูกงอกของเขาหาทางรักษาไม่ได้ฮันครุนคิดหรือมันอาจจะเป็นเพราะเขาชอบกินตีนไก่ต้มหรือเปล่า คือความสบายใจเขาจึงเลิกกินเด็ดขาดแต่มันก็ไม่ทําให้เขาหายทุกวันนี้เขาก็ไม่รู้ว่าวิญญาณตนนั้นโกรธเขาทําไมแล้วเป็นใครมาจากไหนทุกๆครั้งที่มีคนเหนื่อยหอบ ม, มาหายใจฟืดๆฟาดๆใกล้ๆเขาเขาก็มักจะตกใจผวาอยู่เสมอเพราะคิดว่าวิญญาณตนนั้นตามเขามาอีก ปัจจุบันพันก็ยังซื้อของมือสองเหมือนเดิมแต่ไม่ซื้อรองเท้ามือสองอีกแล้วเรื่องที่สชุดแสกมือสองครั้งหนึ่งได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อล่าได้ซื้อชุดแซกต่อจากเพื่อนเธอมาโดยปกติเธอนั้นไม่ค่อยจะชอบการซื้อของมือสองมาใช้สักเท่าไหร่แต่ครั้งนี้เธอเห็นว่า เป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักกันนำมาขายต่อก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากประกอบกับชุดตัวนั้นเป็นของดีมียี่ห้อสภาพดูสะอาดเหมือนใหม่แถมยังราคาถูกอีกด้วยถึงแม้ว่ามันจะมีตำหนิเล็กๆน้อยๆตรงชายกระโปรงก็ตามแต่ถ้าไม่สังเกตก็แทบจะมองไม่เห็นอยู่แล้วหลังจากที่เธอนั้นได้ชุดมา เธอก็นำไปซักด้วยเครื่องซักผ้าของเธอเหมือนที่เคยเธอสังเกตเห็นว่ามีจุดแห้งกรังเป็นจุดเล็กๆสีแดงๆออกคล้าๆติดอยู่ที่ชุดจุดหนึ่งเธอจึงลองเอานิ้วขูดดูมันก็หลุดออกมาเล็กน้อยเป็นเกล็ดๆ เ, เมื่อดมดูมันก็ไม่มีกลิ่นอะไรเธอจึงไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าคงไปโดนน้าหวานที่ไหนมาแน่แนเมื่อเธอ สักตากเสร็จแล้วก็เอาไปแขวนเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้ารวมกับเสื้อผ้าตัวอื่นๆในคืนนั้นเองซึ่งเป็นเวลาที่ดึกมากแล้วขณะที่เธอกำลังนอนหลับอยู่ก็ได้ยินเสียงปึงปึงปังปังแถวแถวตู้เสื้อผ้าของเธอ เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าน่าจะเป็นเสียงตัวอะไรมาชนตู้หรือไม่ก็คงหูแว่วไปเองมากกว่าไม่น่าจะมีอะไรเธอจึงนอนต่อแล้วก็หลับไปโดยที่เธอนั้นไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันกำลังเป็นสัญญาณบ่งบอกของสิ่งชั่วร้ายอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่ช้าคืนแรกห่านไป พอถึงตอนเช้าเธอก็ใช้ชีวิตปกติสุขเหมือนกับทุกๆวันโดยไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นคืนต่อมามันเริ่มหนักขึ้นขณะที่เธอกำลังนอนหลับสลึมสลืออยู่บนเตียงเธอมีความรู้สึกว่าเตียงของเธออีกฝั่งนั้นมันยยบลงไปคล้ายกับมีคนเอนตัวลงนอนแต่เธอก็ไม่ได้คิดอะไรมาก จึงนอนต่อสักพักหนึ่งก็มีความรู้สึกว่าผ้าห่มมันค่อยๆไหลลงไปยังปลายเท้าอย่างชา้ชาๆเหมือนกับว่ามีคนกำลังดึงผ้าห่มของเธออยู่ทำให้เธอรู้สึกตกใจโอนกับความสงสัยและเกิดความหวาดระแวงจึงลุกขึ้นมาเปิดไฟในทันทีคืนนั้นเธอแทบจะไม่ได้นอนเลย เพราะต้องเปิดไฟและคิดหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันก็เป็นอย่างนี้อยู่หลายคืนจนเธอรู้สึกว่าไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเหมือนกับว่ามีคนมาอยู่ด้วยในห้องตลอดเวลาทั้งๆ ท, ที่ก่อนหน้านี้เธอก็อยู่คอนโดของเธอคนเดียวมาแล้วเป็นปีไม่เคยเจออะไรแปลกๆ แ, แบบนี้เลยสุดท้ายก็ทนไม่ไหว เพราะตั้งแต่เอาชุดตัวนี้มาก็เกิดเหตุการณ์แปลกๆกับเธอเธอจึงตัดสินใจเอาชุดตัวนั้นไปคืนเพื่อนแล้วก็ถามเพื่อนไปตรงๆว่าชุดที่ขายต่อให้มาเป็นของใครกันแน่แต่เพื่อนของเธอนั้นกลับไม่ตอบและทำสีหน้าแปลกใจก่อนที่จะถามกลับมาว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอล่ะเธอจึงเล่าให้เพื่อนฟังว่า หลังจากที่เธอซื้อชุดไปแล้วมันเริ่มเกิดเหตุการณ์อะไรแปลกๆขึ้นในห้องของเธอบ้างเมื่อเพื่อนของเธอฟังจบก็อึ้งไปพักใหญ่แล้วบอกกลับมาว่าจริงๆแล้วชุดนี้เป็นของลูกพี่ลูกน้องที่เขาซื้อมาแต่ยังไม่ทันได้ใช้ก็ประสบอุบัติเหตุถูกลดชนตายสิก่อนจากนั้นเพื่อนของเธอก็ร้องไห้ ด้วยความรู้สึกผิดอย่างมากและเอ่ยปากขอโทษเพราะไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นล่าก็เช่นกันหลังจากได้ฟังความจริงจากปากของเพื่อนสนิทของเธอก็อึง้งน้ำตานองหน้าร้องไห้ออกมาโดยไม่รู้ตัวมือสั่นใจสั่นแล้วก็ขนลุกไปทั้งตัวทำอะไรไม่ถูกเลย หลังจากนั้นวันถัดมาลาก็ไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลและขออโหสิแก่ผู้ตายแล้วคืนชุดนี้ให้กับเจ้าของที่แท้จริงไปเพราะในใจของเธอก็คงคิดว่าเจ้าของนั้นเขาก็คงอยากจะได้ชุดนี้กลับคืนไป สิ่ง